MP3 สแผ่นที่สองธรรมะชุดโดนใจที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับไปนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังถ้าพวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟังจะได้รับความรู้ในการได้ยินได้ฟังสุดตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามะยะปัญญาปัญญาเกิดจากการกินตนาใข้ควรทบทวน สิ่งที่ได้ยินได้ฟังภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วจะเกิดปัญญาถ้าเกิดนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้อีกว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัด ก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นแล้วก็บรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใส MP3 แผ่นนี้จะให้กติธรรมหัวข้อว่าทมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ธรรม พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าร่างกายของพวกเราคือรูปประธรรมถึงจะเลี้ยงดีดิบดีขนาดไหนร่างกายนี้ก็แก่เจ็บตายในที่สุดแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนั้นจะต้องเป็นใหญ่จะนําร่างของพวกเราจะไปที่ไหนเดินเหินไปที่ไหนก็ต้องใช้ใจคือใจดวงนี่แหละท่านเปรียบเทียบว่า ร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจนะ้ะเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถมิใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนละอันกันแต่รถก็ต้องอาศัยคนขับคนก็ต้องอาศัยรถที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านท่านได้ตัดรู้ธรรมท่านไปดูแล้วว่าร่างกายกับจิตใจนี้อาศัยกันอยู่รูปธรรม กับนามธรร ม, มแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องนามธรร ม, มที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อมากกว่ารูปธรร ม, มคือร่างกายเป็นมาอย่างไงก็เป็นไปอย่างนั้นแต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมนั้นปรับปรุงแก้ไขอย่างให้งโง่ก็ได้ให้ฉลาดก็ได้ให้เป็นอันพานก็ได้ให้เป็นคนดีก็ได้ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็ได้ ให้เป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาอรหรันก็ได้เพราะนั้นท่านจึงเน้นหนักหรือว่าท่านสอนให้พวกเราได้ฟังได้ศิกษารเรื่องนามธรรมคือจิตใจนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาอันนี้คือบาลี เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาเรื่องของใจคือตัวนามธรรมเนี่ยตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดเป็นเ ท, ว, เท ว, วดาอินพรหมจะไปตกนรกหมกไหมไปเกิดเป็นสัตว์ดุริชาญ น, นาน า, น า, นานชนิดคือใจตรงนี้แหละจะพาไปเกิดสรุปแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอน คือนามธรรมตัวนี้แ่ะจะพาไปเกิดแต่ส่วนร่างกายนั้นแตกตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟแน่แต่นามธรรมคือจิตใจนั้นไม่ตายเพราะนั้นพระพุทธองค์หรือพระพุทธศาสนาสอนเน้นหนักเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในฐานะพุทธบริษัทสี่ขอขอให้สนใจตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว ถ้าพวกเราศึกษาเรื่องของใจแล้วจะทำใจยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดตามแนวแถวของพุท ธ, ธะจะทำใจยังไงจึงจะไม่มีทุกข์เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราได้ที่พวกเรามีทุกทุกวันนี้เพราะมีกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงอยู่ในจิตใจของเราใจของเราจึงกลิ้งเหมือนลูกฟุตบอลแต่เมื่อพวกเราตัดกิเลส ออกจากจิตใจแล้วพวกเราจะเป็นอิสระใจของเราจะเป็นธรรมธาตุใจของเราจะพ้นจากเครื่องดึง ด, ดูดคือกิเลสราคะโทสะโมห oh ะใจจะเป็นบรมสุขคือใจพ้นจากทุกในวัฏฏสงสารการพูดแนะแนวเอ3สแผ่นที่สองนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพศีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอขอให้พวกเราปฏิบัติธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิน